สัตยายธรรมจักกัฒตนะสูตรซึ่งมีอีกชื่อหนึ่งว่าปฐมเทศนานะคำสอนนี้เป็นคำสอนแรกสุดของพระพุทธเจ้านะเป็นจุดเริ่มต้นของการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้าที่สืบเนื่องมาถึง4 5พันสาแล้วก็จบลงด้วยคำสอนที่เรียกว่าปาชิมโอวาด สองบ น, นี่หัวท้ายนะมีความสำคัญมากแล้วก็มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนนะอ่าปธมเทศนานี่ยาวนะยาวเป็นสิบ ส, บสบเป็นสิบกว่าหน้าส่วนประชิมโววาเนี่ยมีความยาวแค่สองสามบรรทัดเองนะมีข้อความว่าสังขาทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา ท่านทั้งหลายจงทําความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดหรือบางที่ก็แปลว่าท่านทั้งหลายจงทําเปรือยให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาเทเถิดแต่ที่จริงแล้วเนี่ยปชิโ ม, ม ว, ว่านี่ก็จะเรียกว่าเป็นการสรุปนะคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมดรวมทั้งคําสอนในปฐมเทศนานะที่เราสอนมาทัคู่เนี่ยก็ จ, จะสรุปด้วยข้อความสั้นๆอย่างที่เมืุกเกตมานะได้เล่าได้พูดขึ้นมานะ ก็คือให้เร่งทําความเพียร น, นะเพียงแต่ว่าในปฐมเทศนานี่จะเน้นเรื่องความทุกข์หรือว่าทุกขังแต่ว่าในปชมโอวาสเนี่ยจะในเรื่องอนิจจ์นะความไม่เที่ยงอันถ้าเราสังเกตสักหน่อยนะพระเจ้านะได้เปรียบถึงความไม่เที่ยง เพื่อเป็นเหตุผลให้เราทําความเพียร น, นะด้วยความไม่ประมาทนะแต่ว่ามีคำสอนบางแห่งนะที่พระพุทธเจ์านี่พูดถึงความไม่เที่ยงเหมือนกันนะแต่ว่าสรุปอีกแบบหนึ่งที่เด่นใช้ก็คือค า, าถาบังสกุลตายเนะี่ยที่เริ่มต้นด้วยว่า อ น, นิจจาวัตสังขาราเนี่ยอันนี้พวกเราไปงานศพเราก็จะคุ้นเคยมากเวลาพาท่านบลงสุกุลก็เรียกชักอ น, นิจจาข้อความก็ไม่ยาวนะพอๆกับประชิมโอวาดเนื้อหาใจความก็คือว่าสังขารทั้งหลายนะไม่เที่ยงหนอนะเมื่อเกิดขึ้นแล้วย่อมเสื่อมไปเป็นธรรมดาเกิดขึ้นแล้วดับไป แต่ว่าตอนสรุปนะแตกต่างจากปั ช, ชิมโมวานะสรุปก็คือว่านะท่านสรุปตอนท้ายว่านะความสงบระ ง, งับหรือการปล่อยวางสังขารเป็นสุขอย่างยิ่งสังขารในที่นี้ก็หมายถึงความคิดปรุงแต่งนะก็คื อ, อท่านสอนให้ปล่อยวางนะปล่อยวางอย่าไปยึดมั่นถือมั่นกับอะไรเพราะว่าสิ่งทั้งปวงไม่เที่ยง บทสรุปนี่ไม่เหมือนกันนะปัจฉิมโมวาทกับคาถาบังสกุลตายนะก็ปาลรอบถึงเรื่องความไม่เที่ยงเหมือนกันแต่ว่าปัจฉิโมวาทบอกว่าให้เร่งทําความเพียรส่วนคาถาบังสกุลบอกว่าให้ปล่อยวางถามว่าขัดแย้งไหมแ้วก็ไม่ได้ขัดแย้งนะเพียงแต่ว่าเป็นการเสริมมากกว่าปัจฉิมโอวาทเน้นนะเรื่องการทํากิจ สรุปง่ายๆนะันในเรื่องการทำกิจก็คือว่าให้ทำความเพียรกิจหน้าที่ใดที่ยังไม่ได้ทำหรือว่ายังทาไม่ครบต้องรีบทำซะซึ่งเรียกรวมๆก็คือประโยชน์ตนประโยชน์ท่านะเพราะว่าเวลามีน้อยนะจะตายเมื่อไหร่ไม่รู้นะให้ต้องเรียกทำความเพียรโดยตั้งอยู่ในความไม่ประมาทส่วนมาสกุลตายเนี่ยนะในเรื่องการปล่อยวาง ซึ่งในี่นี่หมายถึงการทําจิตนะทำจิตปล่อยวางจิตไม่ก่อเกียเก่ยว ไ, ไม่ยึดมั่นกับสิ่งใดนะไม่ได้ขัดแย้งกันนะเพียงแต่วันเด่นคนละจุดนะนะคำสอนหนึ่งก็ในเรื่องการทํากิตอีกคําสอนหนึ่งก็ในเรื่องการทําจิตนะส อ, อย่างนี้ควบคู่กันนะคำสอนของผู้เจ้าเนี่ยท่านจะสอนให้ทั้งทํากิตและทําจิตเสมอนะ ควรจะทำควบคู่กันอย่า ง, งเช่นผู้เจ้าสอนเรื่องพรมวิหารสีนะอันนี้เป็นเรื่องการทำจิตเมตตากรุณามุทิตเตาอุเบกขาแต่ว่าถ้าทำจิตแล้วไม่ทำกิจนี้ก็ไม่ถูกต้องนะเช่นเอาแต่แผ่เมตตาแต่เห็นคนทุกข์ไม่ช่วยนะไม่แบ่งปันไม่ให้ทานนะไม่เกื้อกูล นะอันนี้ถือว่ายังปฏิบัติธรรมไม่ครบถ้วนจะครบถ้วนได้ต้องทำกิจด้วยก็คือว่าให้ทานนะคำพูดก็ไพเราะเรียกวิญญ า, าจาแล้วก็ลงมือทำด้วยอัตจริยาแล้วก็สมานตาตาอันนี้เรียกวาสังคาวัตุสี่รวมเรียกวมๆแต่ว่าการสอนพุทธศาสนาของเรานี่บางครั้งเป็ น, นเรื่องการทำจิตมากไปนะเช่นให้ให ให้บำเพ็ญพรมวิหารสี่นะแต่ว่าตกหล่นเรื่องสังขาวัตถุสี่ไปก็เลยเกิดพฤติกรรมประเภทว่าที่เขาพูดจาแบบเหมือนกับวิภาวิจารณ์ว่าคนไทยหรือชาวพุทธไทยชอบแผ่เมตตาอยู่ในมุ้งนะแผ่เมตตาอยู่ในมุ้งคือว่าไม่ได้ลงไปช่วยไม่ได้ออกไปช่วยใครนะได้แต่แผ่เมตตาอันนี้ที่เขาวิจารณ์ก็ถูกบางส่วนนะเพราะว่า าชาวผู้ไทยเราจำนวนมากก็เข้าใจแบบนั้นเพราะว่าเราสอนในเรื่องผมวิหาร4ี่แต่ว่าตกหล่นเรื่องสังขวัตุสี่อันที่ถูกก็คือว่าต้องทำกิดและทำจิตพร้อมๆกันการเจริญสติก็เหมือนกันนะเวลาเราจเจริญสติเนี่ยเราก็ทำกิจไปนะจะเป็นการทำงานกินข้าวหั่นผักซักผ้านะ ใช่เกัราก็ทำจิตเพื่คือเจริญสตินะเรามีสติเรามาีความรู้สึกตัวอยู่กับการทำนะจิตใจไม่ล่องลอยวอกวกไปไหนนะให้ดึงกลับมาอยู่ที่การกระทํานั้นอันนี้เรียกว่าทํากิจแล้วก็ทำจิตไปพร้อมๆกันมันก็เป็นการปฏิบัติธรรมไม่ใช่ว่าตัวทํากิจแต่ว่าใจไม่รู้ไปไหนนะอันนี้ก็ถือว่าไม่ได้ปฏิบัติธรรม อาจารย์พุทธาธรรมบอกในการทำงานคือการปฏิบัติธรรมก็ความหมายหนึ่งก็คือนี่แหละก็คือว่าทํากิต ด, ด้วยทําจิต ด, ด้วยนะที้พูดถึงเรื่องการทําจิตเนี่ยนะก็มีคําสอนอีกข้อหนึ่งนะที่ผู้เจ้าได้ปารบนะก็คือคําสอนเรื่องการปล่อยวางปล่อยวางเพราะอะไรปล่อยวางเพราะว่าไม่มีอะไรที่จะยึดมันถือมันว่าเป็นเราเป็นของเราได้นะ ก็คือเรื่องอนัตตานะอันนี้ก็เป็นคำสอนใหญ่ข้อหนึ่งนะเรื่องอนัตตาว่าไม่มีอะไรที่เราจะยึดว่าเป็นเราเป็นของเราได้แม้กระทั่งร่างกายนี้ก็ไม่ใช่ของเรานะทรัพย์สมบัติที่มีก็สมมติว่าเป็นของเราแต่ในความเป็นจริงก็ไม่ใช่ของเราเพราะว่าเราบังคับไม่ได้นะร่างกายนี้นะเราก็สั่งไม่ได้ สั่งให้ไม่แก่สั่งให้ไม่ป่วยก็ทำไม่ได้นะมันป่วยแล้วเนี่ยนะจะสั่งให้มันหายมันก็ไม่ได้จะหายหรือไม่ก็อยู่ที่ว่าเราทำเหตุทาปัจจัยนะให้ถูกต้องหรือเปล่าแล้วก็ในบางกรณียังไงก็ไม่หายนะเพราะว่าอ่ามันเจ็บป่วยมากนะ เวลาปวดเวลาเมื่อยนะเราก็สั่งไม่ได้ว่าให้หายปวดหายเมื่อยนะอันนี้เพราะฉะนั้นต้องปล่อยวางนะสอนว่าปล่อยวางว่าอย่าพึ่ยึดว่าเป็นของเรานะร่างกายไม่ใช่ของเรานะสมบัติบ้านเรือนก็ไม่ใช่ของเราเรา ก, ก็ไม่ใช่ของเราแต่คนนี้เนี่ยคำสอนแบบนี้ทําให้คนเข้าใจผิดเยอะที่จึงไม่ใช่คนก็ไม่ใช่ทําให้คนเข้าใจผิดหรอกแต่ว่าคนตีความผิดไปเอง ไปคิดว่าเป็นการปล่อยป่าละเลยนะก็คือไม่ทําอะไรเลยนะร่างกายนี้ไม่ใช่ของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยนะมันป่วยมันเจ็บก็ไม่ต้องสนใจดูแลอันนี้เรียกว่าปล่อยปลาละเลยอันนี้เรียกว่าไม่ทากิจนะปล่อยวางเนี่ยที่พระเจ้าสอนนี่คือปล่อยวางเรื่องเป็นเรื่องการทาจิตจิตไม่กอะเกี่ยวไม่ยึดมั่นแต่ว่าทำกิจทำหน้าที่ยังทำอยู่นะ ร่างกายนี้ไม่ใช่ของเราแต่ว่าเราก็ต้องดูแลรักษานะเพราะว่ามันเป็นเสมือนอุปกรณ์นะที่จะช่วยทำให้เราทำความดีสร้างบุญสร้างกุศลหรือว่าฝึกฝนพัฒนาจิตใจได้ไม่ใช่ของเราก็จริงแต่เราต้องเอาใจใส่ดูแลอันนี้แล้วว่าเราต้องรับผิดชอบ ก็เหมือนกับว่าเราไปยืมโทรศัพท์ยืมรถของเพื่อนนะมันไม่ใช่ของเราก็จริงนะแต่ไม่ได้แปลว่าเราจะใช้ยังไงก็ได้เราจะใช้ผู้ยิผู้ยำยังไงก็ได้เพราะคิดว่าไม่ใช่ของเราไม่ใช่ใช่ไหมเรายืมใครมาถึงแม่ไม่ใช่ของเราแต่เราก็ดูแลรักษาเราก็รับผิดชอบนะคนรไ่เข้าใจผิดว่าในเมื่อไม่ใช่ของเราร่างกายไม่ใช่ของเราเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องดูแลไม่ต้อง สนใจนะลูกไม่ใช่ของเราเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องดูแลใจใส่ลูกนะบ้านไม่ใช่ของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยมันรัว่วมันพังก็ไม่ต้องซ่อมอันนี้ผิดแล้วไปเข้าใจการปล่อยวางว่าเป็นการไม่ทำกิจไม่ทำหน้าที่นะปล่อยวางนี่หมายถึงการไม่ทำจิตหมายถึงเป็นเรื่องการทำจิตนะแต่ส่วนการทำกิจยังต้องทำต่อไปไม่ใช่ปล่อยปละละเลยถ้าปล่อยปละละเลยแสดงว่าเป็นเรื่อง เป็นการไม่ทำหน้าที่นะร่างกายไม่ใช่ของเราแต่เราก็ต้องรับผิดชอบในการดูแลรักษาเหมื่อเราไปยืมโทรศัพท์ยืมโทรทัศน์ยืมรถยนต์ของใครมาไม่ใช่ของเราแต่เรามีความรับผิดชอบที่ต้องดูแลนะฉันได้ก็ฉันนั้นนะร่างกายนี้นะเราต้องรับผิดชอบนะด้วยใจที่ปล่อยวางนะ พูง่ายคือว่าปล่อยวางอย่างละผิดชอบนะดูมันขัดแย้งกันที่จริงมันไปด้วยกันการที่พระดูแลป่าเนี่ยนะนะก็ไม่ใช่เพราะว่าป่าเป็นของเราไม่ใช่พรายุมมาป่าเป็นของฉันนะแต่เพราะว่าเห็นว่าป่านี่มีประโยชน์นะเราก็ต้องตอบแทนบุญคุณของป่านะไม่ใช่ของเราก็จริงแต่เราก็ควรจะดูแลปกป้องให้เขาปลอดภัย เพราะว่าเขามีบุญคุณกับเราหรือเพราะว่าเขาเป็นประโยชน์ต่อส ร, รพพสัตว์แต่มีบางคนก็ไม่เข้าใจนะเคยมีชาวบ้านบางคนนี่แอบเข้ามาตัดสมุนไพรเนี่ยไม่รู้จักไหนมาตัดสมุนไพรบ้างมาตัดไม้ในวัดบ้างสมัยนั้นยังไม่มีไม่มีกำไม่มีกำแพงล้อมรอบวัดก็มีคนมาบอกก็เลยธรรมาก็เลยบอกให้พระนี่ช่วยกันไปไปไ ป, ไปตามหานะ ไม่ใช่จะไปจับเานะปรียเพียงว่าให้เขารู้ว่าพระดูแลเขาจะได้หนีไปก็มีภาพรูปหนึ่งท่านท่านไม่ไม่สนใจจะไปช่วยนะท่านก็บอกว่าปล่อยวางแล้วนะนะคือในเมื่อปล่อยวางไม่ใช่ของเราก็เลยไม่ต้องทำอะไรไม่ใช่นะปล่อยวางเป็นเรื่องการทำจิตแต่เรื่องการทำกิจก็ต้องทำตามเหตุตามปัจจัยนะ และการที่เราจะรักษาป่านี่ไม่ใช่เพราะป่าเป็นของเราไม่ใช่เหตุผลแค่นั้นเหตุผลยี่มีอื่นอีกมากมายนะอย่างที่บอกนะคือว่าเพราะว่าเขามีบุญคุณกับเราเราก็ต้องตอบแทนเขารักษาเขาช่วยเหลือเขาหรือเพราะามันเป็นประโยชน์ส่วนรวมนะเราก็ช่วยดูแลรักษาคนรไ่เข้าใจว่าเราจะทําอะไรกับสิ่งใดก็ต่อเมื่อมันเป็นของเราถ้าไม่ใช่เป็นของเราก็ปล่อยป่าละเลยนะอันนี้เรียกว่านะ ปฏิบัติผิดนะไม่ทํไม่ ท, มทกิจสมัยที่หลวงพ่อชา ย, ยังมีชีวิตอยู่นี่นั้นท่านก็นเคยไปเคยเล่าว่าเนี่ยมีคราวนึงก็ไปมีเกิดเกิดฝนตกหนักนะแล้วก็มีพายุแล้วก็กุฏิบางหลังเนี่ยก็โดนพายุพัดจนกระทั้งหลังคาแหว่งหายไปครึ่งหนึ่ง ท่านก็เดินตรวจนะก็เห็นพระซึ่งเป็นเจ้าของกุฏิหรือที่อาศัยกุฏินั้นเนี่ยก็ไม่ได้ทําอะไรกับกุฏิหลังนั้นหลังคาก็ไม่ซ่อมพอฝนตกฝนะ น, น, นมันก็รั่วนะท่านก็หลบไปอีกทางหนึ่งนะรั่วตรงไหนก็หลบไปอีกทางหนึ่งหลวงพ่อชาก็ถามว่าท่านทําอะไรทําไมไม่ซ่อมหลังคาเพราะก็ตอบว่าผมกําลังฝึกการไม่ยึดมั่นถือมั่นครับกำลังฝึกปล่อยวางครับ หลวงพ่อชาววัดเนี่ยปล่อยวางต้องใช้ปัญญานะมันไม่ใช่วางเฉยแบบบัวแบบควายนะอันนี้ท่านต้อเข้าใจว่าปล่อยวางคือไม่ทําอะไรนะปล่อยวางมัเป็นเรื่องการทําจิตนะส่วนการทํากิจก็ต้องทําตามเหตุตามปัจจัยนะเช่นมันหลังคารั่ว ก, ก็ต้องซ่อมป่วยก็ต้องรักษานะอันนี้ต้องเข้าใจในะเรื่องอคําสอนพุทศาสนาเนี่ยท่านปล่อยวางเนี่ยนะ ไม่ได้แปลว่าปล่อยปะแล้วเลยอะไรที่ยังรับผิดชอบอะไรที่ต้องควรทําอะไรที่สมควรทำก็ต้องทําเรียกง่ายๆว่าปล่อยวางอย่างรับผิดชอบนะหรือรับผิดชอบด้วยใจปล่อยวางนะมันดูเหมือนว่าเป็นสิ่งตรงข้ามกันนะแต่ที่จริงมันไม่ตรงข้ามหรอกนะั่นเป็นเพียงการเสริมกันนะเพราะว่าถ้าเรารับผิดชอบนะเรารับผิดชอบให้มันดีนะมันก็เกิดประโยชน์ และถึงและถึงเวลาที่มันเสื่อมมันโทมไปแก้ไขไม่ได้ใจก็ไม่ทุกข์นะเรื่องการทํากิจและทําจิตเนี่ยมันก็ดวงไปถึงเรื่องการทํางานด้วยนะเพราะว่าเมื่อกี้ก็ได้พูดว่าเนี่ยเวลาทํางานเนี่ยนะมันก็คือการทําหน้าที่แต่ว่าเราก็ต้องรู้จักวางใจให้เป็นนะทํากิจไปด้วยทําจิตไปด้วยพร้อมๆกันนะ และที <pecially> ่จร <ok> <AN> ิงแล้วเวลาเราทํากิจเนี่ยนะเราสามารถทําด้วยใจที่ปล่อยวางได้นะถ้าเข้าใจตรงกันนะว่าปล่อยวางเนี่ยไม่ได้แปลว่าปล่อยปละละเลยเนี่ยก็หมายความว่าเราสามารถทํากิจด้วยจิตที่ปล่อยวางถามว่าปล่อยวางอะไรนะบางคนอาจจะอาจจะยังทําใจไม่ได้ถึงขั้นปล่อยวางว่านี่ไม่ใช่งานของเราแต่ว่าเราสามารถจะปล่อยวางอย่างหนึ่งได้คือปล่อยวางอ่า ผลที่จะเกิดขึ้นหลายคนทํางานแล้วเครียดนะเพราะว่าใจเนี่ยไปนึกถึงผลนะนะคิดถึงผลว่าเมื่อไหร่มันจะเสร็จสักทีเมื่อไหร่จะเสร็จสักทีเสร็จแล้วจะเป็นอย่างไรคนเขาจะมองเราอย่างไรเขาจะพูดถึงงานนี้อย่างไรนะหรือบางทีก็นึกถึงงานที่ยังค้างคาอยู่มากมายนะอันนี้เรียกว่าวางใจไม่ถูกนะแล้วก็พลอยทําให้ไม่สามารถจะทํากิจได้ดี เพราะว่าเกิดอาการพระวงนะแล้วก็เครียดเวล า, เาทำงานเนี่ยเราปล่อยวางได้นะปล่อยวางตามระดับความสามารถของเรานะเริ่มจากการที่เราใจอยู่กับปัจจุบันปล่อยวางอดีตปล่อยวางอนาคตนะอย่าไปสนใจจุดหมายปลายทางหรือผลสาเร็จมากไปนะจรงอยู่เราทางานเพื่อหวังผลสาเร็จ เรามาปฏิบัติทำก็หวังความสงบเย็นแต่ทันทีที่เราลงมือปฏิบัตินะเราต้องวางวางความคาดหวังนะวางผลสาเร็จนะที่คาดหวังลงเพราะว่าถ้าเรายังจดจ่ออยู่กับผลนั่นเนี่ยใจเราก็ไม่อยู่กับปัจจุบันแล้วใจเราไปอยู่กับอนาคตและมันก็ทัาจะทำให้เราเนี่ยเกิดความทุกในการปฏิบัติ ไม่ใช่แค่ทุกอย่างเดียวนะไม่ไม่สำเร็จไม่สำริจด้วยเพราะว่าพอใจแล้วไม่อยู่กับปัจจุบันเนี่ยนะปฏิบัติเท่าไหร่สติมันก็ไม่เกิดนะเครียดก็เครียดนะแถมไม่ได้สติด้วยนะบางคนก็หน้ามืดบางคนก็แน่นหน้าอกบางคนก็ปวดไหลนะเพราะว่าเกรงเพราะว่าเครียดนะอันนี้เพราะว่าจิตเนี่ยไปไปจดจ่ออยู่ที่เป้าหมายหรือผลสาเร็จนะมากเกินไป ที่จริงเนี่ยเดี๋ยวว่าแต่การทํางานทางธรรมหรืการทํางานทางโลกก็เหมือนกันนะนีมีนักปีนเขาคนนึงแกชื่อบรูซเคิร์บี้เนี่ยเป็นนักปีนเขาเรกที่โชคโชนมากนะผ่านการปีนเขาที่สูงที่สุดของทุกทวีปมาแล้วรวมทั้งเอเวอเรสต์แล้วแกก็สรุปประสบการณ์การปีนเขาเป็นบทเรียนว่าเนี่ยท่านแกบอกว่าเนี่ยทุกอย่างเนี่ยดูหน้ากวกว่าความเป็นจริงเสมอเมื่อมองจากที่ไกล นะเวลาจะปีนเขาเนี่ยโอยเอเวเรสนี่ถ้าไปคิดถ้าใจไปจดจอที่จุดหมายคือยอดเขาเนี่ยจะจะท้อง่ายนะมันเป็นทุกตั้งแต่ยังไม่ทันจะปีนละเพราะว่าเห็นความลำบากไหนจะต้องใช้เวลาเป็นเดือ น, นกว่าจะถึงและแกบพบว่าเทคนิคการปีนเขาที่ทำให้แกสำเร็จมานักต่อน้าคือสนใจแต่เพียงพื้นดินใต้ฝ่าเท้าแล้วก็เดินไปข้างหน้า นะไม่ต้องสนใจยอดเขาไม่ต้องสนใจจุดหมายปลายทางลืมมันไปเลยก็ไดนะ้แล้วก็สนใจแต่พื้นดินใต้ฝ่าเท้าหรือพื้นดินที่อยู่ข้างหน้าแล้วก็เดินไปทีละก้าวทีละก้าวถ้าเดินไม่หยุดแล้วก็ถูกทางเนี่ยถึงแน่นะนการปีนเขาที่กลายเป็นเรื่องยากนี่แกก็ทําให้เป็นเรื่องง่ายนะซึ่งทําให้ปีนเขาได้ด้วยใจที่มีความสุขแล้วก็สามารถจะทําสําเร็จได้ แต่ถ้าวางใจไม่เป็นเนี่ยนะใจไปหรือสายตาก็เชฉเง้อมองที่ยอดเขามันก็จะทุกข์นะให้การที่ใจเนี่ยนะวางจุดหมายปลายทางเอาไว้ก่อนแล้วก็ทำปัจจุบันให้เต็มที่นะก็คือทำความเพียรอันนี้ก็เรียกว่าทำงานด้วยใจปล่อยวางนะและตรงนี้แหละที่มันจะทำให้ การทำเต็มที่แต่ไม่ซีเรียสเนี่ยเกิดขึ้นได้นะทำเต็มที่แต่ไม่ซีเรียสเนี่ยมันเกิดขึ้นได้มันไปด้วยกันได้นะเพราะว่าการทำเต็มที่คือการทำกิตนะส่วนพอระวังจิตเราทำจิตเช่นเราปล่อยวางจุดหมายปลายทางเนี่ยใจยมันก็จะเครียดน้อยลงนะจิตก็จะเป็นสมาธิมากขึ้นจางจือเนี่ยปราชชาวจีนเนี่ยแกพูดถึงนักยิงธนู คนหนึ่งนะซึ่งยิงธนูได้แม่นมากแกมีหลักนะแกมีหลักในการยิงธนูคือว่าจะมีข้อเตือนใจในการยิงธนูคือว่าเวลายิงธนูเนี่ยนะถ้าคิดถึงโล่รางวัล น, นะอยากได้โล่รา ง, งวัลเนี่ยตามก็จะพราดมัวถ้านึกถึงถ้าคิดว่ายิงเพื่อเอาทองเป็นรางวัล ตาก็จะมืดบอดนะแล้วก็จะยิงไม่ถูกนะมองเป้านะเป็นสองเป้าไปเลยต่อเมื่อลืมนะลืมรางวัลลืมผลสําเร็จนะการยิงนั้นเนี่ยก็จะสําเร็จได้นะก็คือยิงได้ถูกเป้าก็เหมือนกับอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นช่างที่แกสลักหลังอ่าลักครังเนี่ยแกสลักหลักครังได้สวยมากนะด้วยด้วยด้วยไม้ แกบอกในก่อนแกสลักเนี่ยนะแกจะทำทำสมาธิทำสมาธิได้สามวันเนี่ยวันที่สามเนี่ยก็จะลืมนะลืมความสำเร็จหรือความล้มเหลวนั่งสมาธิถึงวันที่5้าก็จะลืมคำชมและคำวิจารณ์นะแล้วนั่งต่อไปสักพักก็ลืมลืมตัวตนนะจิตมันเป็นหนึ่งเดียวนะกับกับรกครังเลย แล้วก็เริ่มต้นไปหาไม้แล้วก็จะเจอไม้ที่ถูกที่เหมาะกับการทำระครังอันนี้คือเคล็ดลับนะของของช่างนะสมัยก่อนนะคือว่าเขาเขาจะวางใจคือเขาจะปล่อยวางผลเขาจะปล่อยวางความสำเร็จเขาจะปล่อยวางรางวัลหรือว่ า, าสิ่งที่จะทำให้จิตใจวอกแวกอันนี้ก็เรียกว่านะการทำงานด้วยใจที่ปล่อยวางนะ ซึ่งมันก็ไม่ได้ยากนะเกินกว่าที่เราจะทํากันนะแล้วถ้าเกิดว่าเรานะจับหลักได้เนี่ยนะให้การทําเต็มที่แต่ไม่ซีเรียสเนี่ยก็ก็จะไม่ใช่เรื่องยากเวลาปฏิบัติทำเนี่ยนะใหม่ๆเนี่ยหลวงพ่อเทียนนั่นก็จะสอนอาตมาก็ได้รับคำแนะนําจากหลวงพ่อเทียนเนะนี่ยว่าเนี่ยให้ทําเล่นๆนะแต่ทําจริงๆนะทำเล่นๆนะนะความหมายคือว่าไม่ต้องหวังผล ผลมันจะเป็นอย่างไรก็อย่าไปสนใจแต่ให้ทำเต็มที่นะทาตั้งแต่ตื่นนอนนะจนเข้านอนนะอันนี้แหละมันก็ก็ตรงกับที่ก็ทำให้อัตมานเนี่ยคิดอา่าเห็นเลยนะว่าเออให้การทําเต็มที่กับแต่ไม่ซีเรียส น, นี่ยมันมันเกิดขึ้นได้นะแล้วก็เป็นสิ่งที่ไม่ได้เกินวิสัยอา่าที่พวกเราจะทำํำคนส่วนใหญ่เนี่ยนะ แทนที่จะทำเต็มที่แล้วไม่ซีเรียสนะกลับกลายเป็นว่าซีเรียสแต่ไม่ทาเต็มที่นะคือเครียดซะก่อนนะเครียนดะกลุ้มใจนะแล้วก็ไม่ทำอะไรเลยเพราะว่าท้อนะแต่ถ้าเราทำอีกอีกแง่หนึ่งคือว่าเออทำเต็มที่นะแต่ไม่ซีเรียสนะก็คือว่าทำเหตุให้ดีประกอบเหตุเต็มที่ใช้ความเพียรพยายามโดยใจที่ปล่อยวางผลผลมันจะเป็นอย่างไรก็อย่าเพิ่งไปสนใจแต่ทำให้เต็มที่ก็แล้วกัน แล้วเราจะพบว่านะความเครียดมันลดลงนะเรื่องนี้ในพระหมหาชนกท่านก็เป็นแบบอย่างนะเราคงจําได้พระหมหาชนกเนี่ยฉากสําคัญก็คือฉากที่เรือเดินสมุทรจมลงไปแล้วก็เรือแตกกันะพระหมหาชนกก็ลอยคอยอยู่ในทะเลมีม้อยู่ผืนหนึ่งมีม้อยู่แผ่นหนึ่งก็พยายามที่จว่ายเข้าฝั่งว่ายผ่านไปหนึ่งวันก็ยังไม่ถึงฝั่ง ไม่เห็นฝั่งเดียวซ้ผ่านไป2วันก็ยังไม่เห็นฝั่งก็ยังไหว้ไหว้ไม่หยุดนะจนถึงวันที่7ร้อนถึงเทวดาเทวดาร้อนอาดนะพระ อ, อินทร์ก็เลยสั่งให้นางมณีเมฆคลายมาช่ว ย, พ เ, ย, เ, ย, เ, ยพ เ, เพราะนางมณีเมฆคลายนี่แม้แตช่วยคนที่เดือดร้อนในทะเลนางมณีเมฆคลายพเห็นพระมาชนกก็แปลกใจสงสยัยนะก่อนจะช่วยก็ถามก่อนว่าเนี่ย ท่านไหว้ไปทําไมนะในเมื่อมองไม่เห็นฝั่งนะทำไมจึงไหว้ไม่หยุดนะพระมาชนก็ตอบว่าเพราะขา้าพเจ้าเห็นประโยค์ความเพียรนะเสนะถึงแม้มองไม่เห็นฝั่งก็จะก็จะไหว้นะเนาว์ีเแม่ขลาก็ถามตอบไปว่าก็บอกว่าเนี่ยเพียรไปทําไมนะทําไปก็ตายเปล่าเพราะว่าไม่เห็นฝั่งหรอกฝั่งมาอยู่ไกลมากพระมาชนก็ตอบว่า เมื่อทำความเพียร น, นะแม้จะตายก็ไม่ถือว่าเป็นหนี้ใครนะไม่เป็นก็เรียกว่าไม่เป็นหนี้เทวดาไม่เป็นหนี้ใครทั้งสิน้นไม่เป็นหนี้เทวดาแล้วญาติมิตรก็ต่อว่าไม่ได้นะแต่ท่านก็บอกว่าเนี่ยคนเราเนี่ยเมื่อรู้วัตถุประสงค์ของสิ่งที่ทำแล้วก็ทำความเพียรไม่หยุดนะจะสำเร็จไม่สำเร็จนะผลแห่งความเพียร น, นั้นยอมปรากฏแกตน นมานมวณีเมฆขลาก็เลยก็เลยจำนนนะแล้วก็ช่วยพระหมาชนกอันนี้พระหมาชนกเนี่ยท่านทำความเพียร น, นะโดยที่ไม่รู้เลยว่าจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จนะแต่ท่านก็ทำอันนี้ก็เรียกว่าท่านามุ่งการทำเหตุให้ดีทำความเพียรโดยที่จิตเนี่ยปล่อยวางผลนะหมายความว่าสำเร็จไม่สำเร็จ ก็ไม่เป็นไรฉันก็จะทำนะไม่ใช่ว่าทำโดยที่ไม่หวังผลนะแต่ว่าเมื่อไหเมื่อลงมือทำแล้วเนี่ยก็วางนะใจก็วางเรื่องผลซนะไม่ใช่ว่าสำเร็จจึงทำถ้าไม่สำเร็จก็ไม่ทำนะอันนั้นไม่ใช่วิสัยชาวพุทนะวิสัยชาวพูดเนี่ยเรามุ่งประกอบเหตุนะส่วนผลเนี่ยเป็นอีกเรื่องหนึ่งแล้วถ้าเราลองทำอย่างนี้ดูนะเราจะพบว่าการทางา น, นมันเป็นเรื่องจะเป็นเรื่องง่ายมากขึ้น งานก็สามารถจะสำเร็จได้นะอย่างที่ท่านอาจารย์เจ้าคุณผมกุณพรเนี่ยท่านพูดว่าเนี่ยงานก็ได้ผลคนก็เป็นสุขนะได้ผลเพราะว่าทำเต็มที่และเป็นสุขก็เพราะว่าใจไม่ซีเรียสนะมีตัวอย่างหนึ่งที่ประทับใจมากนะเป็นตัวอย่างของอคุณป้าชาวเกาหลีนะแกชื่ออะไรนะชื่อชาซาซุนมัง้ง ตอนที่เป็นข่าวนี่แกอายุ ป, ประมาณ68ปีนะเมื่อปี52เนี่ยมันเป็นข่าวเพราะว่าคือเรื่องของเรื่องคือแกเป็นแม่ค้าขายผักนะแล้วแต่ก่อนก็มีรถที่ว่าจ้างขนผักให้แกตอนหลังเนี่ยแกต้องขับรถเองแกจะขับรถแกก็ต้องมีใบใบขับขี่แกก็สอบใบขับขี่มาครั้งแล้วครั้งเล่านะสอบภาคปฏิบัติได้แต่สอบข้อเขียนไม่ได้ แกไม่เคยสอบถูกได้สามสิบข้อหรือหกสิคะแนนเลยสอบไม่ถึงนะสามสิบข้อนียมันเป็นขาเพราะว่าแกสอบมาแล้วเนเะจ็ดรอยเจ็ดิบห้าครั้งนะเดือนกุมภาปีห้าสองคนตกใจมากหนิึงสอบเจ็อยเจ็ดสิห้าครั้งเหรอแบบนี้เมืองไทยเป็นไปไม่ได้เลยนะที่จะมีคนแบบนี้เพราะว่าถ้าสอบสามครั้งไม่ได้ก็ก็ซื้อละหรือไม่ก็ใช้เส้นใช่ไหม ไม่ซื้อก็เส้นอ่ะมีสองอย่างแต่เกาหลีมันทำงั้นไม่ได้พนักงานเจ้าหน้าที่คุมสอบมันบอกอยากจะช่วยใจจะขาดเลยแต่ช่วยไม่ได้นะเพราะว่าเขาเขาเข้มงวดมากเขาซื้อตรงมากคุณป้าแกก็ไม่ไม่ละความพยายามนะแกก็สอบแล้วสอบอีกสอบแล้วสอบอีกจนกระทั่งพุทธจิปีห้าสองก็สอบได้หลังจากที่สอบไปแล้วเก้รอยห้าสิบครั้งนะเกือบพันครั้งนะแกบอกสอบสอบแทบทุกวันตั้งแต่ปีสี่แปดสี่ปีนะที่แกสอบเนี่ย อันนี้แสดงความเพียร น, นะผลที่ทำความเพียรมากเลยแล้วถ้าลองคิดอีกหน่อยนะคือถ้าแกเป็นคนที่ยึดมั่นถือมั่นกับผลสำเร็จว่าต้องสอบให้ได้สอบให้ได้นะแกสอบได้สักสิบครั้งแกก็เลิกแล้วคือท้อนะเพราะว่ายิ่งยึดมั่นถือมั่นนะกับความสำเร็จมาเท่าไหร่เนี่ยพอไม่สำเร็จเนี่ยมันจะผิดหวังง่ายและจะผิดหวังมากแล้วก็ทาให้ท้อจนเลิกทาความเพียร การที่แกสอบขนาดนั้นได้เนี่ยในแง่หนึ่งก็แสดงว่าแกขยันมากนะและในแง่หนึ่งก็แสดงว่าแกปล่อยวางในผลหมายความว่าสอบไม่ได้ก็ไม่เป็นไรสอบใหม่สอบไม่ได้อีกไม่เป็นไรสอบใหม่คือแกต้องมีคําว่าไม่เป็นไรเนี่ยนะมันถึงจะทําให้แกสอบได้เกือบพันครั้งนะคนที่ไม่เป็นไรเนี่ยแสดงว่าต้องไม่สี่เรียดในผลนะดูเหมือนนะ่ดูเหมือนว่า เมันขัดแย้งกันนะไม่ซีเรียสแล้วสอบได้งไงต้องพันครั้งอนะแต่มอในแง่หนึ่งเนี่ยแต่ละครั้งแต่ละครั้งที่แกสอบเนี่ยแกแกไม่ได้ยึดมันถือมันในผลเมื่อผลไม่สําเร็จอ่ะไม่เป็นไรสอบใหม่ถ้าแกก็สอบทุกวันแล้วแกเชื่อว่าทําความเพียรมันต้องสําเร็จจนได้นะในแง่นี้แกก็หวังผลนะแต่ว่าในระหว่างที่สอบเนี่ยแกก็ปล่อยวางปล่อยวางในระดับหนึ่งนะ เราไม่ต้องเพียนอย่างคุณป้าคนนี้ก็ได้นะแต่ว่าถ้าเราเอาตัวอย่างของแกเนี่ยเอามาใช้นะในการทำงานเนี่ยอัตมาเชื่อว่างานที่เราทาเนี่ยนะมันจะมันจะได้เป็นอย่างที่ท่านเจ้าคุณพรมคุณาพรมาคือว่างานก็ได้ผลคนก็เป็นสุขนะเร า, เามาใช้คาว่าทำเต็มที่แตไม่ซีเรียสเนี่ยเอามาใช้ได้กับการปฏิบัติทำก็ได้เอามาใช้การทำงานก็ได้ นะเอามาใช้กับทั้งท้งโลกและทางทําได้ทั้งนั้นนะอยู่ที่ว่าเราวางใจให้เป็นนะอยู่ที่ว่าเราเนี่ยให้ความสำคัญกับการประกอบเหตนะส่วนผลนั่นเป็นเรื่องของเหตุปัจจัยอย่างที่ภาษา จ, จีนเกาว่าเนี่ยความพยายามเป็นของมนุษย์นะส่วนความสำเร็จเป็นของฟ้าอันนี้พูดแบบจีนนะพูดแบบเต๋าแต่พูดแบบเพื่อคือว่าความพยายามเป็นของมนุษย์นะตัวความสาเร็จเป็นเรื่องเหตุปัจจัย เราทำเหตุให้ดีแล้วไม่ต้องสนใจผลนะเพราะว่าถ้าทำเหตุดีทำเหตุถูกผลย่อมมันผลย่อมแสดงตัวมาเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาทำก็วางผลซะใจระ ว, วางผลและทำเอากำลังมาทุ่มเท ก, การประกอบเหตุนะอันนี้แหละเนี่ยจะช่วยทำให้การทำเต็มที่แต่ไม่ซีเรียสมันเป็นจริงขึ้นมาได้